เรียนธรรมะนะเรียนตั้งแต่อายุน้อยดีที่สุดเลยอายุเยอะขึ้นเราเรียนยากขึ้นโดยธรรมชาตินะันไม่ใช่ว่าดูถูกคนแก่หรอกคนแก่โดยร่างกายเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไข้ยวนั่งสมาธิจะเดินจงกรมอะไรมก็ไม่ถนะัดหลงลืมง่ายหลงลืมถ้าแบบ จนถึงสมองเสื่อมเนี่ยพอหนำไม่ไหวฟังไม่รู้เรื่องละอย่างเป็นอัลไซเมอร์อะไรนีย้ยังต้องเรียนซะตั้งแต่ก่อนจะแก่ก่อนจะเจ็บมีพระองค์หนึ่งมาเรียนที่นี่มาทุกอาทิตย์่ะก่อนไปทำฟันอะไรก็ลยลเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดปวกปับ๊บแป๊บเดียวจะตายอออไปเยี่ยม ท่านก็บอกว่าตอนนี้จิตกับเวทนานะทำไมดูไหมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน <c oughs> <c oughs> ถ้าจิตกับเวทนารวมเป็นเนื้อเดียวกันกน็ทุรนทุรายสิตายแล้วก็ไม่ดีเราต้องฝึกให้ชำนาญ น, นะต้องฝึกให้แกล่งเศรษก่อนที่จะแก่ก่อนที่จะเจ็บก่อนที่จะเกือบเกือบจะตาย ต้องซ้อมไปก่อนให้ชํานาญเกิดอะไรฉุกเฉินจิตดีดตัวพังขึ้นมาเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเลยเห็นธาตุเห็นขันมันแก่เห็นธาตุเห็นขันมันเจ็บเห็นธาตุเห็นขันมันตายเราฝึกให้ชํานาญจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เวลาเจ็บหนักใกล้ตายใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันกําลังจะตายละมีพระองค์หนึ่งท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟัง ตอนหัดภาวนาตอนนั้นนานมากแล้วยี่สิบปีท่านยังไม่ชำนาญมากพอท่านเจ็บหนักจริงนะทำท่าจะตายแนละ้วจิตมันดีดออกมาเองจิตมันดีดเป็นคนดูนะก็ดูไปเมื่อไหร่ร่างกายนี้จะหยุดหายใจเมื่อไหร่หัวใจจะหยุดเต้นจิตเป็นแค่คนดูเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานอยู่เสร็จแล้วหายไข้ เขเสียดายจริงเสียดายไม่ตายเสียดายไม่ตายถ้าตายตอนนั้นสบายไปแล้วไปไหนถ้าตายตอนนั้นจะไปสู่ภูมิไหนอืมใครตอบได้ตอบไม่ได้หรอกไม่มีจุดตูปปาตยานแต่อย่างน้อยก็ไปสูุขติสุขติแน่นอน ถ้ตายไปด้วยจิตที่มีสติจิตที่มีสติเป็นจิตที่เป็นกุศลนะจุติจิตดับลงปฏิสนธิจิตทรงใหม่ก็จะเกิดขึ้นในลักษณะเดิมจุติจิตจิตตอนตายตายด้วยจิตชนิดไหนนั้นก็เกิดด้วยจิตชนิดนั้นเนี่งั้นตายไปด้วยจิตที่เป็นกุศลนั้นก็ไปต่อด้วยจิตที่เป็นกุศลนี่เราสั่งจิตไม่ได้ ว่าจิตดวสุดท้ายของเราจะต้องเป็นกุศลหรืออกุศลเราห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้เราต้องฝึกของเราตั้งแต่ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายฝึกรู้สึกตัวรักษาศีไว้แล้วคอยรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้แล้วเจริญปัญญาดูกายทำงานดูใจทำงานวันไหนมีกำลังรู้ทันจิตใจได้รู้ทันจิ ต, จ ไ, จตไปเลยดีที่สุดเพราะอะไรพระกิเลสเกิดที่จิต กุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่อื่นดูเข้ามาถึงจิตได้ก็ดีที่สุดเนะีทำทั้งหลายนะทั้งที่เป็นกุศลกุศล น, นะกทั้งมรรคผลเกิดที่จิตมีสติรู้ลงไปนะมันไม่ไปที่อื่นนะแต่วันไหนไม่มีแรงที่จะดูจิตดูใจมาดูกายไว้กายเป็นบ้านของจิตจิตเป็นเจ้าของบ้าน หาตัวเจ้าของบ้านไม่เจอเขาเฝ้าหน้าบ้านไว้สมัยก่อนนะเขาเล่ากันเป็นนิทานพูดถึงนิทานเริ่มตาแวแวๆนะ <c oughs> จิตตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไปหมดนี่ <c oughs> เป็นผู้ง่วงไอ้หนุ่มเวลารักสาวนะ <c oughs> สมัยก่อนพ่อแม่เป็นห่วงนะ้ผู้หญิงอนะหาตัวยากไปนั่งดักดูหลังคาบ้าน ไม่เห็นตัวสาวนะเห็นหลังคาบ้านก็สบายใจลนะ้วกินข้าวลงไม่เห็นหน้าเจ้ากินข้าวไม่ลงนะเห็นหลังคาบ้านสมัยนี้ไม่ยากใช่ไหมหมือถือมีรูปยังมือถือเห็นเห็นหน้ายังเวลาโตเห็นยังบางรุ่นได้แล้วใช่ไหมเห็นทั้งวันเลยเห็นจนเบื่อ สมัยก่อนไม่ได้ได้แต่ดูหลังคาบ้านการพาวนาเหมือนกันดูเจ่าของบ้านไม่เจอดูจิตไม่เจอมาดูกายจิตมันอยู่ในกายนี่แหละจิตไม่ไปอยู่ที่อื่นหรอกแค่เรามาดูบ้านไว้เผื่อเขาจะโผล่หน้าต่างมาให้เห็นถ้าดูกายไปเรืถ้าจิตเกิดมีแรงให้มามันก็กลับไปเห็นจิตได้เั้นถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้ดูกาย ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะทําสมถะไว้เชืพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้เมื่ออาทิตย์ก่อนหลวงพ่อี่เยี่ยมคุณแม่จันดีท่านเล่าให้ฟังคุยเรื่องปฏิบัติกันนะท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงตาสอนท่านให้พุโทโธนะสมัยหลวงตามหาบัวสอนท่านท่านเป็นน้องหลวงตาน้องเล็กละมั้งอายุห่างกันเยอะห่างกันเยอะ สิบว่าปีสิบเจ็ดโอ้โหห่างกันมากเลยบอกหลวงตาสอนท่านนะให้พุโทโธโุทโกำหนดจิตไว้พุโทโธเรารู้ทันจิตนะงั้นหลวงพ่อเทศนะพุโทโธเรารู้ทันจิตเนี่ยนะบางคนว่าแปลกนะแต่ถ้าครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่รุ่นเก่าเนี่ยพูดลงเนื้อเดียวกันหมดนะ ไม่ใช่พุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองสักแต่ว่าพุทโธไปเรื่มันจะได้อะไรพุทโธอะคือตัวจิตจิตนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตนั่นแหละคือตัวพุทโธดังนั้นพุทโธไปเรารู้ทันจิตพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านดูไปเรื่อยนะพุทโธแล้วจิตกระวนกระวายรู้ว่ากระวนกระวายพุทโธไปไม่บังคับจิตไม่ใช่พุทโธบังคับจิตถ้าเป็นพุทโธรู้ทันจิต พอเรารู้ทันนะจิตก็ค่อยสงบเข้ามาตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเนี่ยพอจิตมีเรี่ยวมีแรงนะมันก็กลับมาดูกายได้กลับมาดูจิตได้อีกจะไม่ใช่พุโทโธเป็นนกแก้วตัวขนทองพุโทโธเราก็เคลิ้มเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างนั้นไม่มีปัญญามาดูกายดูจิตได้หรอกไม่ชอบพุโทโธเอาอันอื่นก็ได้ดูลมหายใจก็ได้หายใจแล้วรู้ทันจิต หายใจแล้วจิตนี้ไปคิดแล้วรู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ลมก็รู้หายใจไปด้วยนะแล้วก็รู้ทันจิตไปด้วยพอจิตสงบลมก็สงบลมค่อยสงบนะจิตเท่าสงบอลมค่อยสงบลงเรื่อยๆลมจะสั้นลงทีแรกหายใจลึกนะลมจะค่อยตื้นๆนนะมาอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันเลยกับที่คุณแม่จันดีพูดนะมาลงต้้รนีเหลือที่ปลายจมูกนิดเดียวแล้วมัสว่างขึ้นมา แล้วก็รู้ทันจิตต่อไปอีกนะจิตสงบก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้รู้ทันไปเรื่อยนสือได้จิตมาได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูมาเนะมื่อมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วคราวนี้ถึงจะเดินปัญญาได้นะอย่ามักง่ายพูดว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาคนละเรื่องกันสมาธิมีหลายชนิดนะสมาธิบางชนิดนะ่ะ ทำให้เกิดปัญญาได้สมาธิอีกหลายอย่างไม่ทำให้เกิดปัญญานะสมาธิเป็นธรรมะพื้นๆเกิดร่วมกับจิตทุกชนิดนะจิตทุกดวงจิตในสนรกจิตของสัตว์นรกก็ยังมีสมาธิสมาธิเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกทุกดวงนะจะฆ่าคนต้องมีสมาธิไหมจะขโมยต้องมีสมาธิต้องมีทั้งหมดเลยนะ สมาธิคือเอกคตาเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเงันไม่ใช่มีสมาธิแล้วจะเกิดปัญญา mm hmm. ต้องเป็นสมาธิที่ถูกต้องเท่านั้น mm hmm. สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน mm hmm. สมาธิที่จิตเคลื่อนเคลิม้มจิตเพลิดเพลินมีแต่ความสุขแล้วก็เพลินอยู่ในความสุขไม่ทําให้เกิดปัญญา mm hmm. มีทําให้หลง หลงโลกมากขึ้นมากขึ้นไม่หลงโลกมนุษย์นี่เป็นหลงในปรอมโลกงั้นเราไม่มักง่ายนะถ้าบอกสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิตัวนั้นก็คือความตั้งมั่นของจิตอย่าไปแปลสมาธิว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวใจเป็นผู้รู้ผู้ดูเราจะได้สมาธิชนิดนี้อาศัยการทํากรรมฐานอันแดนหนึ่ง อย่าพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ทำจังหวะขยับมือก็ได้เหมือนกันหมดเลยพุทโธไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปยกเท้าย่างเท้าไปขยับมือไปแล้วรู้ทันจิตตัวสำคัญคือรู้ทันจิตต่างหากพระบทเรียนที่ทำให้เกิดสมาธินั้นชื่อจิตตศิขานะคาว่าจิตตวิสุทธ์ก็คือจิตที่ทรงสมาธินั่นเองนะเรื่องของจิตเนละ การเรียนเรื่องจิตจะทำให้ได้สมาธิสำคัญมากนถ้าไม่มีสมาธิเดินปัญญาไม่ได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเดินปัญญาไม่ได้ฟุง้งซ่านคิดเอาหรือไม่ก็ซึมไปเลยไม่ยอมรู้อะไรนิ่งอย่างเดียวนักปฏิบัติจำนวนมากเลยที่ไปไม่รอดนะก็ทำสมาธิให้นิ่งลูกเดียวเคลิ้มนิ่งๆเคลิ้มๆอีกพวกหนึ่งก็เห็นโน้นเห็นนี่ไปเลยนะฟุ้งซ่านออกนอกไปเลย พวกเนือจิตหลอนจิตใต้สำนึกทำงานขึ้นมาพอสงบเข้าไปนะลุกขึ้นร่ายรำได้ทำท่าลิงก็ได้ทำเป็นเสือก็ได้จิตใต้สำนึกทำงานขึ้นมาสมาธิอย่างนั้นไม่ได้ทำให้เกิดมากผลอะไรไม่มีปัญญาสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญานะั้นจิตตั้งมั่นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้อง คำว่าผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดคำว่าผู้รู้ไม่ใช่ผู้เพ่งผู้คิดนั้นหย่อนไปฟุ้งซ่านไปผู้เพ่งนั้นตึงเครียดเกินไปทางสายกลางเป็นแพทยผู้รู้ผู้ดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูดูอะไรดูกายดูใจดูกายดูใจทํางานเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจมีแต่ของไม่เที่ยงในกายนี้มีแต่ของไม่เที่ยงในใจนี้ มีแต่ทุกข์ในกายนี้มีแต่ทุกข์ในใจนี้นะมีแต่ของบังคับไม่ได้ในกายนี้มีแต่ของบังคับไม่ได้ในใจนี้นี่เรียกว่าทำวิปัสสนานะถ้าไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจไม่เรียกว่าวิปัสสนากระทั่งไปคิดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นสมถกรรมฐานในหมวดที่เรียกว่ากายคตาสติอยู่ในอนุสติสิอย่าง เป็นหนึ่งใน40ของสมถกรรมฐานนะยนังต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะขึ้นวิปัสสนาบางคนจิตมีสมาธิแล้วจิตไม่ยอมไปดูไตรลักษณ์ของกายของใจอันนี้ต้องช่วยมันช่วยมันคิดพิจารณาพามันคิดเรื่องร่างกายนะดูร่างกายไปทีละส่วนก็ได้นะผมนี่ไม่ใช่ตัวเรา ผมเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนี้คิดเอานะเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดเดินปัญญาแต่ยังไม่ขึ้นวิปัสนาะผมคนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกดูไปเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาแต่ไม่ใช่วิปัสนาะวิปัสนาไม่ได้เห็นแค่ผมขนเล็บฟันหนงังแต่วิปัสนานั้นเห็นรูปธรรมนามรรมา ท, ทั้งหลายแสดงไตรลักษณ์ได้แสดงเองไม่ใช่คิดเอา คำว่าวิปัสนาไม่ใช่คิดเอาชื่อมันก็บอกแล้วคำว่าวิปัสนามาจากคาว่าวิคำว่าปัตสนะปัตสนะคือการเห็นวิประวแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงก็คือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองงั้นวิปัสนาเนั้นต้องรู้ต้องเห็นเอานะไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดเอาไม่ขึ้นวิปัสนาถ้าคิดเรื่องไตรลักษณ์ ร่างกายเหล่านี้ไม่เที่ยงเนาะเพราะว่าเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยหน้าต่างกันหน่อยหนึ่งเมื่อวานหน้าไม่มีสิววันนี้มีสิวนี่หน้าไม่เที่ยงนะเมื่อวานนี้หน้าเป็นแผลถลอกวันนี้แผลดีขึ้นหน้าไม่เที่ยงเห็นไตรลักษณ์ด้วยการเปรียบเทียบเอาไม่ใช่วิปัสนาแต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเดินปัญญาในขั้นสัมมาาัชนญาสัมมัชนญ า, านเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเทียบเอา ถ้าจะขึ้นวิปัสสนาต้องขึ้นอุทยัพยญาณคนละตัวกันนะอุททยัพยาญาณ น, นั้นเห็นความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมานี่ถึงจะแสดงไตรลักษณ์ของรูปนามจริงๆดูของจริงนะดูของจริงในกายดูยากนะรูปมานายุยืนดูของจริงในใจนะีดูง่ายสุขก็แป๊บเดียวทุกข์ก็แป๊บเดียวใช่โลภโกรธหลงก็แป๊บเดียวอะไรก็แป๊บเดียวในใจเราเนี่ย ดูในใจของเราไปเรื่อยเห็นแต่ของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทุกอย่างอยู่ชั่วคราวตรงเห็นทุกอย่างมันอยู่ชั่วคราวมันถูกบีบคั้นความสุขก็ถูกบีบคั้นอยู่ไม่ได้นานความทุกข์ก็ถูกบีบคั้นอยู่ไม่นานกุศลน่ะกุศลก็ถูกบีบคั้นอยู่ได้ไม่นานก็หายไปตรงที่มันมีแล้วหายไปเรื่องอนิจจังตรงที่มันถูกบีบคั้นอยู่เรียกว่าทุกขัง ตรงที่มันบังคับไม่ได้มันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้อันนี้เรียกว่าอนัตตาอนัตตาอย่าไปแปลมักง่ายว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวมีตนแล้วบอกโลกนี้ว่างเออาก็ว่างเออาก็ว่างถ้าบอกว่าไม่มีอะไรเลยนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกาทิฏฐิคำว่าอนัตตานะั้นถ้ามีเหตุมันก็มีถ้าไม่มีเหตุมันไม่มีนะ มันบังคับไม่ได้มียกเว้นอยู่อันเดียวที่ไม่มีเหตุคือนิพพานแต่นิพพานเขาเป็นอนัตตาไม่มีใครครอบครองได้ไม่มีใครสั่งได้ไม่มีใครมีอำนาจเหนือมันได้งั้นอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะมีไม่ใช่ไม่มีบางคนมักง่ายไปนะในตำราสอนไว้เลยบอกว่าถ้าขาดโยนิโสมนัสิการขาดความแยบใครในการพิจารณานะ พวกที่ไปพิจณาไตรลักษณ์ลงอนัตตานี่มันจะพลาดไปสู่นัตติกะทิฏฐิเป็นวิชาทิฏฐิว่าทุกอย่างไม่มีพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรๆเก็ไม่มีหมดเล ย, นะยโยเวนกิเลสกิเลสเพียบเลยไม่เห็นอ่และพวกเราหัดนะขั้นแรกเลยรักษาศีลห้าขั้นที่สองฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว อย่าลืมตัวนานเกินไปลืมนิด น, ด น, ดนดหน่อยๆนยพองามลืมนานน่าเกลียดรู้สึกตัวเรื่อยคนที่ไม่มีความรู้สึกตัวก็เหมือนคนตายแล้วงั้นะขาดสติเมื่อไหร่ก็คือคนประมาทคนประมาทก็คือคนตายแล้วเนะมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจมีกา ย, กลายแล้วก็ลืมมันไปมีใจก็ลืมมันไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนตายแล้วนะมันลืมกายลืมใจของมันไปหมดแล้วงั้นเรารู้สึกนะรู้สึกตัวรักษาศีล5้าแล้วรู้สึกตัว รู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยไปแล้วเดินปัญญาเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานกายเล่นละครให้ดูใจเล่นละครให้ดูเราเป็นคนดูเป็นคนรู้เป็นคนเห็นนี่แหละเรียกทําวิปัสสนาอยู่เราจะเห็นเลยตัวละครทุกตัวนี่ออกมาชั่วคราวแล้วก็เข้าลงหายไปหมดนะทุกตัวมาแล้วก็ไปถามว่ามีตัวละครไหมมีแต่มันอยู่ชั่วคราวนะมาแล้วมันก็ไป มันมาตามเหตุของมันถึงบทของมันมันก็มายังไม่ถึงบทมันมันก็ไม่มาสั่งให้มันออกมันก็ไม่ออกนะัน้นดูลงไปในท่านในขันเนีเป็นแต่ของเป็นไตรลักษณ์ไปหมดเลยบังคับไม่ได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ถ้าเห็นความจริงอย่างนี้ไม่นานนะก็จะได้มรรคผลลนะมรรคผลอันแรกเลยนะก็คือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลมรรคผลอันนี้เกิดจาก ทัศนะคือการเห็นความจริงนะส่วนมรรคผลเบื้องปลายสูงขึ้นไปตั้งแต่สกทาคาอนาคาพระรหัสมรรคผลรุ่นนี้เกิดด้วยภาวนานะเหตุให้เกิดต่างกันนะแต่เวลาลงมือปฏิบัตินะั้นะอันเดียวกันจะให้เป็นพระโสดาเนี่ยต้องเห็นความจริงนะเห็นทัศมีทัศนะที่ถูกต้องทัศนะเพราะการเห็นนั่นแหละมีการเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าอะไรเห็นว่าขันห้ามีอยู่นะแต่ไม่มีตัวเราขันห้ามีเหตุก็มีขันห้าหมดเหตุขันห้าก็ดับขันห้าไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้เป็นพระโสดาบันมรรคผลที่สูงขึ้นไปนะั้นต้องอาศัยภาวนาภาวนาว่าจเจริญเจริญศีลสมาธิปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่องจิต แจมแจ้งในความเป็นจริงของธาตุของขันของรูปของนามว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคัน้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้จิตจะสลัดทิ้งไปไม่เอาถ้าวางได้ก็เป็นพระอรหรันตะ์งั้นแต่ละขั้นแต่ละตอนนะน่าเรียนน่ารู้น่าปฏิบัติมากเลยธรรมะของพระชาตินัประณีต ง, งดงามไม่มีอะไรเหมือนเลยนะั้นเป็นธรรมะที่ไม่มีอะไรต้านทานได้ ธรรมาของท่านเถียงไม่ออกอะ่ะเถียงไม่ออกเอาต่อไปเชิญส่งการบ้านถ้าไม่จำเป็นก็อย่าส่งหลวงพ่อคะอกิเลสเยอะเหลือเกินคะ่ะขนาดมาฟังทมกิเลสก็พามามกิเลสพาให้ทำความดีได้ด้วยหรอได้ได้อกุศลเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้ กูนะสนเป็นปัจจัยของอากูสนก็ไดนะ้เพราะฉะนั้นจิตเราจะพลิกแปลงตลอดเลยเดี๋ยวเขาเป็นกูสนเดี๋ยวเป็นอากูสนอย่างเราเห็นคนลำบากเรามีความสงสารเมตตานะให้คำแนะนำว่าอย่าทำอย่างนี้สิเขาถ้าไม่ทำนะโกรธเลยนะยกูสนเป็นปัจจัยของอกูสนก็ได้อากูสนเป็นปัจจัยของกูสนก็ได้อยากจะพ้นทุกข์นะอยากดีอยากโน่นอยาก น, น, ากนี่อยากดีๆเลยลงมือปฏิบัติทากูศล ดูลงไปเรื่อยเลยก็จะไม่ค่อยยึดเท่าไหร่แล้วนะก็ เ, ะเห็นนะกุศลก็งนั้นนะอะกุศลกล้องนั้นนะั้เกิดแล้วดับอกิเลสอย่างนี้เก็บไว้ทําความดีได้ใช่ไหมคะถ้ได้ได้เนะบื้องต้นต้องมีกิเลสก่อนพระนรนเคยสอนนะมีตัณหาเพื่อวันหนึ่งจะละตัณหามีมานะเพื่อวันหนึ่งละมานะมีทิฏฐิเพื่อวันหนึ่งละทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐินกิเลสทั้งนั้นเลยนะอาศัยกิเลสพวกนี้แหละ ทำให้มาขวนขวายปฏิบัติธรรมขออนุญาตส่งกันบ้านแทนคุณแม่ค่ะคุณแม่เมื่อก่อนทําสมาธิกเก่งค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถึงทางตันแล้วก็เลิกเลิกภาวนาไปเลยค่ะเสร็จ mm hmm. แล้วก็พอทราบว่าจะได้มาอยู่วัดก็ขยันฟังธรรมค่ะ mm hmm. คุณแม่บอกว่าฟังแล้วเข้าใจแต่ทําไม่ได้ค่ะอืม mm hmm. ค่อยๆฝึกไปไม่มีใครทําได้ในวันเดียวหรอกนะค่อยหัดรู้หัดตัวหัดรู้สึกตัวไปรู้ทันจิตตนเองไปกิเลสเกิดเรารู้ทันนะสีลก็ เ, เกิดความฟุ้งซ่านเกิดรู้ทันนะสมาธิก็ เ, เกิดร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวรู้ทันปัญญาก็เกิดก็นะฝึกสติค่อยรู้ทันไปเรื่อยรู้ไปสบายๆรู้ได้จิตใจที่ปร่ปงปร่งสบาย ดูเขาทำงานไปด้วยการพอนนามไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดหรอกนี่เราวาดภาพไปยากเกินจริงอีกพวกหนึ่งกโลภมากอยากได้เร็วๆยิ่งอยากยิ่งดิน้นยิ่งดิ้นยิ่งไม่ได้นะรู้ไปรู้สบายๆใจหนีไปคิดก็รู้ใจมันไปทำอะไรก็รู้อันแรกเลยคอยรู้ทันใจที่หนีไปคิดรู้บ่อยๆถ้าหนีไปคิดแล้วถ้ารู้ไม่ทันนะเดี๋ยวมันก็คิดดีบ้างคิดชั่วบ้าง คิดดีก็ไปเกิดกุศลคิดชั่วเกิดอกุศลนะเกิดกุศลขึ้นมามีความสุขนะรู้ไม่ทันอีกราค้ า, าก็แทรกเกิดอกุศลนะความทุกข์เกิดขึ้นมารู้ไม่ทันอีกโทสะก็แทรกอีกในะครรู้ทันนะทั้งหลายทั้งปวงนะั้นะเชื่อมโยงสืบต่อกันเป็นลูกโซ่เลยตลอดเวลาสายโซ่ที่มันทํางานสืบต่อกันนี่แหละตัวนี้แหละตัววัตตจักรวัตสงสารนะ วันหนึ่งเราจะทำลายสายโซ่นี้ให้ขาดให้ได้นะขาดด้วยสติด้วยปัญญานี้แหละไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อเกินครึ่งปีแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเห็นจิตมันทำงานเองได้เรื่อยๆค่ะคือจะไปเดินจะสวดมนต์จะนั่งมันก็เห็นมันของกันแล้วขันมันแยกไปหมดแล้ว <c oughs> นะหน้าที่ถัดจากนี้ก็คือรู้ไปเรื่อย จนใจเขาพอแต่ต้องรู้ด้วยใจที่กระปรี้กระเป๋าบางทีรู้ไปเรื่อยแล้วใจมันเฉื่อยไปมันเหนื่อยอย่างนี้ไม่ดีควิธีทําให้ใจกระปรี้กระเป๋าก็คือหาภาษามาทีภาษาที่เฉียบขาดรุนแรงก็คือการคุยกับหลวงพ่อใจช่วยเฉ่ยเหนื่อยเนื่อยแล้วมาคุยกับหลวงพ่อไม่เหนื่อยหรอกเหนื่อยไม่ไหวให้อักีพขึ้นมาก็มันก็รู้สึกว่า คือมันเหมือนกับว่าเหมือนที่หลวงพ่อเคยเปรียบว่าเหมือนโต๊ะที่ที่มันมันไม่ค่อยมีฝุน่นพอ ม, มีอะไรขึ้นมามันก็จะเห็นใช่โ<ม>ต๊ะที่เกลี้ยงนะโต๊ะที่สะอาด<ม>เราเช็ดไว้เสืเลี่ยมเลยไม่มีของสักชิ้นเลยฝุ่นเล็กๆตกลงมาก็มองเห็นแล้วโต๊ะรกๆนะจริ้งจกมาซ่อนยังไม่เห็นเลยก <c oughs> <c oughs> ิเลสเบรรื่อเลยมาก็ <c oughs> ไม่เห็นและแต่จิตใจเลอะเลอะเทอะ หลวงพ่อคะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกับหลวงพ่อบ่อยๆแล้วอย่างนั้นจะมีวิธีที่จะาให้มันกระทบอารมณ์เลยนะกระทบอารมณ์มหนุนหนีเกินไปหรือเปล่าคะไม่เกินนะนะ <c oughs> กระทบน้อยไปนิดหน่อยเท่านั้นแหละ <c oughs> ไม่มากกระทบน้อยไปมันจะเฉื่อยกระทบมากไปมันจะฟุ้งซ่าน <c oughs> <ช>แล้วกระทบพอดีพอดี <c oughs> แค่ไหนพอดีต้องไปดูเอาเองน ะ, ะต่อไป ปรับทรงกันบ้านในรอบหนึ่งปีครับที่ผ่านมาก็ใช้วิธีเดินจงกรมพร้อมกับบริกรรมภาวนาอืก็ทําได้ค่อนข้างจะสม่ําเสมอมากขึ้นครับแล้วก็ตั้งจิตว่าจะถวายเป็นปฏิบัติบูบชาก็เลยทําให้การปฏิบัติเนี่ยโปร่งโล่งเบามากขึ้นดีครับแล้วก็ภายในหนึ่งปีที่ผ่านมารู้สึกว่าจะเห็นกายไม่ใช่เราแล้วมันโล่งๆไปอยู่สองสาแวบครับอย่างน้อยเคยเห็นแล้วล่ะ แล้วก็เคยเห็นไหมจิตทํางานเองเห็นครับนะดูไปด้วยนะจนวันหนึ่งจิตมันยอมรับว่าจิตก็ไม่ใช่เรานะครับถ้ายอมรับได้ก็รู้เลยตัวเราไม่มีได้ธรรมะตรงนั้นนะครับนี่มันไม้นุ่มไม้นิ่มหลวงพ่อจาไม่ค่อยถูกคู่เนี้ยน้อมรสการเจ้าค่ะหลวงพ่อขอรายงานการปฏิบัติเจ้าค่ะคือที่ผ่านมาก็ไปนั่งสมาธิาอะค่ะนั่ง ขัดเพศแล้วทีนี้ก็คือเห็นเวทนาค่ะกับใจหรือว่าจิตก็ไม่ทราบค่ะคือมันแยกห่างกันไปเรื่อยๆอะค่ะค่อยๆแยกค่อยๆแยกห่างกันแล้วก็คือมันก็เห็นนะคะว่ามันก็รับรู้ว่ามีเวทนาอยู่แต่ว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์มันก็ดูอยู่เฉยๆของมันนะคะก็ก็เห็นนะคะว่าแต่ตัวนี้เราต้องไม่ประครองนะ แล้วไม่ประครองไม่รักษาแล้วก็ไม่ดึงให้มันแยกด้วยมันแยกเองคมันแยกของมันเองแบบนี้เองใช้การก็แต่ไม่ต้องไกลมากนะไม่ใช่เวทนาอยู่ศรีราชาจิตมาอยู่สวนสันติธรรมนี่ไกลไปคือมันแยกออกมาไกลสักประมาณค่ะแล้วมันเห็นแบบตรงระยะห่างอ่ะค่ะเหมือนพอมันเจ็บมากๆมันเห็น สังขารปุงขึ้นมานนค่ะเราเจ็บ<ช>แล้วแบบมันปุงเราเจ็บปุ๊บพอเห็นแล้วมันก็ตัดไปค่ะออแล้วพอหลังจากนั้นก็นั่งอีกแล้วก็คือมันจากการที่เราเจ็บปุ๊บเหมือนกับพออะไรกระดิกปุ๊บเราเห็นแล้วมันก็ดับไปเลยค่ะดับปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ<อ>แล้วพอห้ า, หาครั้งแบบแล้วหลังจากนั้นค่ะคือเหมือนกับพอมันแยกกันออกมาอย่างนี้เราไม่ได้เห็นจากไอ้ที่ว่างๆคือเหมือนแบบมันออกมาจาก ใจอะค่ะก็ก็ไม่ทราบอะคะ่ะคือเหมือนกับเวทนาแล้วก็เหมือนผู้รู้ใช่ไหมคะแล้วเหมือนอเหมือนมีอีกตัวหนึ่งที่เห็นว่าอะไรสักอย่างอะคะ่ะดันออกมาจากตัวเนี้ยค่ะว่ามันจะแบบไปเกิดเป็นสังขารอะไรเงี<อ>้ยคือมันเห็นนั่นแหละจิตมันก็ปรุงสังขารลงไป อ, อ, อค่ะคือมันค่อยๆเห็นเข้ามาเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วอีกสภาวะหนึ่งคือก็นั่งภาวนาอยู่อะคะ่ะในถ้ำในผาปอกเสร็จแล้วทีนี้ก็เห็นว่า คือผู้รู้ก็อยู่ตรงนี้นะคะเหมือนกับแล้วก็เห็นขันนะคะขันกับผ่าป่องเป็นอันเดียวกันนะคะคือมันก็เป็นอะไรก็เสิ่งหนึ่งอยู่ก็มันก็อยู่ของมันผู้รู้ก็ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็มันก็ไม่ใช่เราหรือก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราค่ะคือมันก็เป็นกลางๆแล้วมันก็อยู่กลางๆเบาๆสว่าแต่ะคือมันเป็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ คงจะดับไปอะค่ะแต่ตอนนั้นคืออาจจะแบบกำลังไม่พอก็คือเห็นมันอยู่แค่นี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งมาเห็นว่ามันมีดวงกลมๆอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นข้างนอกอีกชานึงนะะอะค่ะดูอย่างนั้นนะแต่ว่ามันเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ช่างเจ้าค่ะถ้าเห็นถูกนะมันจะเห็นว่าจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตมันจะไม่ได้เห็นว่าเราไม่ใช่เราแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราเจ้าค่ะนี่อย่างนี้มันยังมีเราแฝงๆอยู่เจ้า ไปทำอีกไปค่ะเป็นบางช่วงคือตอนตอนที่เห็นคือก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเราหรือไม่เป็นเราคือมันก็รู้สึกไหมว่าขันกับโลกเป็นอันเดียวกันค่ะคือตอนที่เห็นคือเห็นขันกับสภาพแวดล้อมเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นว่าตัวจิตกับสภาพแวดล้อมเป็นอันเดียวกันใช่ค่ะอันนี้ผมไม่เออเราเห็นว่าขันกับสภาพแวดล้อมเป็นอันเดียวกันถ้าวันไหนเห็นว่าจิตกับสภาพแวดล้อมก็เป็นอันเดียวกันนะวันนั้นอาจจะปล่อยวางจิตนะ ที่สุดของทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้แล้วจิตนี้ไม่ใช่ของเรานะไม่เอาเลยมาวางพอวางจิตลงไปนะจิตกับโลกข้างนอกก็เท่ากันนะแต่ตอนนี้ไม่เท่าเพราะไปหยิบจิตขชื่มาไปฝึกอีกไปดีเจาค่ะขอบคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อ เมื่อคืนโดนเวทนาเล่นงานเจ้าค่ะอโดนเวทนาเล่นงานเจ้าค่ะตอนแรกก็ดูไม่ทันเจ้าค่ะก็ไปมีแต่โทสะเกลียดเวทนาเสร็จแล้วเห็นว่ามันไ ม, ม, นไม่มันไม่หายไปไหนก็เลยเปลี่ยนเป็นเดินจงกลมเจ้าค่ะแต่ว่าใจมันก็ยังไม่เป็นกลางเจ้าค่ะมันก็ยังไปให้ค่าโทสะกับตัวเวทนาที่มันเกิดขึ้นเจ้าค่ะ uh> ให้รู้ว่ามันยังให้ค่าไม่ห้ามมันหรอกรู้ไป ในมัด ก, การหลวงพ่อค่ะก็ส่งกันบ้านสองปอมีคําถามเกี่ยวกับ3มเรื่องค่ะพระอาจารย์อันแรกคือเรื่องการดูตัวตนนะคะอตอนปีแรกที่เรียนกับพระอาจารย์มันเห็นตัวตนอยู่ในความคิดนะตอนนั้นเห็นแล้วก็มาส่งกันบ้านพระอาจารย์ มีความรู้สึกว่าพอเห็นตัวตนแล้วเนี่ยมันเหมือนมันมีความไม่พอใจตามมาอ hmm. ตอนนั้นถามพระอาจารย์ว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าพระโสดาบันไม่มีตัว ต, วตวนนี่มันก็จะไม่โกรดหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยแต่ตอนนั้นพระอาจารย์ยังไม่ได้ตอบทีนี้ก็ผ่านมาก็คือเหมือนกับพยายามดูเหมือนกันแต่ว่าปล่อยให้เขาดูเองอะคะ่ะไม่ได้มุ่งมั่นอะไรมากทีนี้มันเหมือนกับว่าบางทีก็จะเห็นปรุงเป็นตัวตนชัด hmm. แต่เรารู้ว่าจริงๆมันมีตัวเราอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะ hmm. ทีนี้เมื่อปีที่แล้วอะคะ่ะ ขับรถไปทํางานใช่ไหมคะพระอาจารย์เกิอกดอยูอ่ดีก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าทุกครั้งที่ตาเราเห็นรูปมันจะต้องปรุงตัวเราเสมอเลยอะค่ะเกิดรู้สึกอย่างนั้นเเก่งแต่ว่ามันมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะค่ะ ม, มันก็อีกสักพักนึ่งอยูอ่ดีมาวันหนึ่งขับรถมันเกิดฉุกคิดขึ้นมาได้ค่ะจิตมันบอกว่าไอ้ตาเนี่ยมันมันเป็นแค่อวัยวะอะไรเงี้ยตอนนั้นพอมันคิดขึ้นมาได้จิตมันดูตาแล้วก็ดู ดูตาแล้วก็ดูอะไรไม่รู้อยู่ข้างในอย่างรวดเร็วะค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็ขาดออกจากกันอย่างเงี้ยค่ะมันเป็น<แ>ความเวิรองว้างตอนที่มันขาดเวิร์งเหมือนเหมือนเรามองไปในอวากาศเงี้ยแล้วก็พอมันกลับมารวมมันมันเกิดเหมือนพู ด, พดความรู้สึกนึงขึ้นมาเรารู้สึกว่าความรู้สึกนั้ น, นคือความยึดมั่นแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มาส่งกันมากคือคล้ายๆอยากจะลองดูเองไปเรื่อยๆทีนี้ก็สังเกตว่า มันก็ยังมองเห็นรูปแล้วมันก็ยังเป็นตัวเราอยู่อย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือก็เหมือนกับดูตรงๆดูไปเรื่อยๆตามที่พระอาจารย์บอกจนหลังๆก็เริ่มรู้สึกตอนแรกจะรู้สึกว่าเออ น, นึกถึงคําพูดพระอาจารย์ที่ว่าตัวตนมันเป็นเงาเงาของตัวตนจะรู้สึกว่าเหมือนจริงมันครอบเป็นเงาหนาเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆมันเริ่มเริ่มเหมือนบางขึ้นนิดนึงมันเหมือนมันดับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ตร ง, งที่ที่ดูแบบนี้มันถูกหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถูกนะไปดูอีกแล้วตัวที่ควรดูพิเศษนะคือตัวโทส ะ, ะนะตัวเนี้ยมันจะแรงเราค่อยรู้รู้บ่อยๆถ้ามันโผล่มาเรารู้ในสุดใจเราเป็นกลางน ะ, ะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างงี้ถ้าพอกระทบอารมณ์อย่างเงี้ยจะไม่ชอบรทบนี้ไม่ชอบควาไม่ชอบมันจะเยอ ะ, ะ, ะอันนี้อันที่สองมันเรื่องเรื่องไอ้เกิดดับเนี่ยค่ะพระอาจารย์อย่างปีแรกมัน เหมือนมืนที่ที่ดูมาทั้งหมดมันดับหลายแบบเนี่ยอืแบบดับปีแรกมันดับแบบสะบั้นเหมือนเหมือนโทรศัพท์อย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะมันเหมือนพลิกเลยค่ะพรอพอสติมันตามทันมันสะบั้นเบื่อบางทียกกินข้าวมันมันก็สะบั้นไปยังอาหารเนีไม่ถึงปาหรือบางทีเดินออกกำลังกายเห็นมันสะบั้นขาดเป็นอืเป็นต้นไม้แล้วเป็นอะไรสักอย่างคั่นอยู่อืแต่ตอนบางหลังๆมันมันก็ดับเบาอื แต่ครั้งล่าสุดมันมันดับเดินแล้วมันดับแบบดับเป็นเหมือนความเหมือนไฟดับเป็นดำดำเป็นช่วงหนึ่งอย่างเงี้ยไอ้ดับอย่างงี้มันเหมือนปัจจัยอะไรที่มันทําให้มันดับไม่เหมือนกันนะคะมันประนีตขึ้นเรื่อยๆนะใหม่ๆมันหวือหวาเนี่ยพอนาไปแล้วอารมณ์มันก็ประณีตขึ้นอะไรก็ประนีตขึ้นะก็จะลงนิ่มๆกระทั่งสมาธินะจิตรวมทีแรกหวือหวามันตกเหวเลย พอลงชำนี้ชํานานนะลงนิ่มนิมทีนี้เรื่องความเป็นกลางะค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าคือหลังๆมันจะจะรู้สึกเหมือนความเรียกมาตั้งมั่นใช่ไหมคะมันเหมือนอะไรออกมันก็คือจะรู้สึกเหมือนเหมือนอยู่ข้างในเป็นความปกติการพุ่งออกไปเป็นความเหมือนไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การอยู่ข้างในต้องไม่อยู่ด้วยการรักษาไวะ้ะค่ถ้าอยู่ด้วยการรักษาไว้เนี่ยตึงเกินไปอืมค่ะ ทีนี้ที่ที่โยมเทียบมันก็จะมีตั้งแต่ฝึกขปจ า, ามันมีฝันอยู่สามครั้งที่แบบในในฝันคือฝันเกี่ยวกับหมาตัวเองเพราะว่าคล้ายๆรักผูกพันฝันสองครั้งแรกนี่มันคือฝันว่าหมาตายทั้ง3มครั้งค่ะตอนนี้สองครั้งแรกนี่พอมันตายแล้วเราจะเสียใจอย่างอย่างมาก แล้วก็แต่สักพักนหนี่ยจะเห็นว่าจิตมันเสียใจในฝันนะคะมันก็จะดับใช่ไหมคะใช่แต่ก่อนมาวันเสาร์เนี่ยเมื่อประมาณกลางอาทิตย์นะคะมันฝันอีกถึงหมาอีกแล้วแต่เป็นหมาอีกตัวหนึ่งในฝันมันวิ่งเล่นกันเสร็จแล้วมันตายอะค่ะเหมือนตัวหนึ่งมันมันไปอะไรนะเอาเล็บไปขวนอกมืนมันขาดใจตายในฝันเห็นมันตาถลนเนี่ยค่ะแล้วก็เห็นกลางอกมันเป็นแผลแต่ตอนนั้นเห็นแล้วรู้สึกเหมือนว่าจิตมันก็จะกลับเพิ่มจะกับเพิ่มเสียใจอ มันก็มีจิตอีกดวงหนึ่งมันไปกำกับลงไปตรงกลางใจว่าอันนี้มันเป็นกายมันไม่ใช่สีนินชื่อชื่อหมามนี่มันเป็นกายมันไม่ใช่สีนินแล้วจิตมันก็ไม่ได้เหมือนกับมไม่ได้รู้สึกอะไร อ, อย่างนี้คือความเป็นกลางที่มันมากขึ้นหรือเปล่าคะสติปัญญามันเร็วขึ้นนะก็ดีขึ้นนะแล้วความเป็นกลางนี่คือกลางกลางในลักษณะยังไงคะ กลางเหรอถ้าจิตหยาบนะก็ไม่ได้เสียใจจิตละเอียดก็ไม่ได้หลงดีใจอะไรเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายก็เห็นแต่ว่าเป็นแค่สภาวะมาแล้วก็ไปเหมือนเหมือนกันหมดนะทีนี้พระพูดเรื่องโทสะค่ะพระอาจารย์เหมือนตัวเองเป็นคนไม่ได้ตั้งใจภาวนาทุกสี่เก้าอเงี้ยเหมือนให้จิตคืออยากรู้เมื่อไหร่ก็รู้ม เ, เมื่อนั้นอะไรเงี้ยมันมันก็เลยไม่ได้เหมือนตลอดเวลามันเหมือนมันมีเว้นวัก ยังดูละครยังอะไรลักษณะแบบนี้ค่ะทีนี้จริงๆแล้วมันจะต้องคือให้สติเกิดทีๆนะไม่ได้เกิดตลอดเวลาหมกมุ่นในการปฏิบัติมันไม่ดีนะแต่ทอดทิ้งการปฏิบัตินี่ยิ่งแย่ใหญ่อย่างนี้เรียกว่าที่ทําอยู่นี่คือทอดทิ้งหรือว่ามันควรจะทํามากกว่านี้ยังย่อนไปยังย่อนไปแต่เวลาทําอย่าจริงจังมากนักคะนะมีจุดอ่อนที่จริงจังไปอืมค่ะคุณค่ะ น้ำมันสกัดหลวงพ่อครับเคยมาส่งกันบ้านที่ว่าหลวงพ่อว่าเวลาเวลาเดินเนี่ยนะรู้สึกเหมือนเหมือนเป็นก้อนแล้วก็มีมีมีมีแรงมาผลักดันให้มันเคลื่อนที่เนี่ยนะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะก็นั่งนั่งอยู่ในพอพอหันหันหน้าเนี่ยอย่างจะหันหน้าไปทางขวาอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกว่ามันมีแรงอะไรเนี่ยมาดันที่ที่ที่หน้าดันซ้ายเนี่ยแล้วก็ทําให้ทําให้หน้าเนี่ยหันไปนะแล้วก็ ก้าบเนื้อแถวคออะไรอะไรเนี่ยมันก็มันก็บิดไปนะทำไมทาไมมันมันมันย้อนกับไปที่เคยรู้สึกเมื่อก่อนที่รู้สึกแต่ก่อนเนี่ยคือเราเราจะรู้สึกว่าถ้าเราจะหันหน้าหรืออะไรเนี่ยนะมันมันมันมาจากกร้ามเนื้ออะไรอะไรบิดแล้วก็ทําให้หน้ามันมีแรงปลักนะตัวนี้คือตัวธาตุลมทาให้ไหวเราไปเห็นตัวธาตุลมเพราะมันดันนะดัน แล้นี่มีอันหนึ่งก็คือพูดดังหน่อยได้ไหมครับ ม, มีมีวันหนึ่งก็คือนัน่งนั่งอยู่เ น, น, นี่ยนะก็ที่เจ็ดมันก็ไปนึกถึงคนนน้นคนนี้เนะี่ยเป็นนึกถึงเพื่อนเอ๊ะมันก็เห็นว่าไอความเป็นเพื่อนเนี่ยควาเป็นตัวตนของเขาเนี่ยมันไหลมันเป็นความคิดไหลขึ้นมานะพอมันนึกถึงคนในครอบครัวเอ้าก็เป็นความคิดไหลขึ้นไมาอีกแล้ที่ไลยสวยมาคิดถึงหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อก็ไหลขึ้นมาอี ไอ้ อ, อ, อย่างนี้มันจะเป็นก็พอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีเหมือนก็จิตก็บอกว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่มันมีเนี่ยมันมีเพราะว่ามันมันมันเป็นความคิดทั้งนั้นแหละเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเราคิดแบบนี้มันจะเป็นมิจฉาทิถีไหมฮะไม่เป็นหรอกดูไปเรื่อยนะทุกอย่างมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับดบังคับไม่ได้ดูเพลย่างนี้ถ้ามิจฉาทิฐีแลอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนี่เห็นไหมอย่างกระทั่งความเป็นตัวตนก็มีเหตุนะ จิตมันคิดจิตมันปรุงมันถึงมีขึ้นมาแต่ว่าความเป็นตัวตนไม่มีหรือไม่ใช่ถ้ายังมีเหตุมันก็ยังมีอีกแต่ต้องแยกให้ออกนะสัจจะมีสองอันปรามัติสัจจะเนี่ยไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกสมมุติสัจจะมีสมมุติสัจจะก็เป็นสัจจะเป็นความจริงแต่จริงแบบสมมติขึ้นมา เมื่อเราปฏิบัติต่อสัจจะทั้งสองนี้ให้ถูกต้องคือเราก็อยู่กับสมมติอยู่กับโลกนี่แหละตามหน้าที่เป็นหน้าที่ของพ่อก็ทําอย่างนี้เป็นหน้าที่ของคนทํางานในบริษัททําอย่างนี้อะไรเล่นไปตามหน้าที่แต่เราก็รู้อยู่ว่าเราเล่นอยู่แล้วมีมีอีกอันหนึ่งได้ตัวตัวเวทนานี จริงๆที่ที่เรารู้สึกเมื่อยรู้สึกปวดรู้สึกอะไรตรงตรงนี้จริงๆยังไม่ใช่เป็นตัวเวทนาตัวที่แท้ๆใช่ไหมฮะการที่เรารู้สึกเมื่อยรู้สึกปวดรู้สึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะไอตัวเนี้ยมันมันจริงๆยังไม่ใช่เป็นตัวเวทนาทางกายแหละคือคืออย่างนี้ฮะคือมันอันนี้นานมาแล้วเนี่ยนะก็จะมีคือไม่สบายเนี่ยนะแล้วก็ก็เป็นน่าจะเป็นไข่นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ทานยาอะไรนะฮะแล้วก็วันหนึ่งก็พักผ่อนก็เหมือนว่าหลับ หลับไปแล้วก็เหมือนว่าจิตมันตัดความรับรู้นะฮะมันไปรับรู้ภายในเนี่ยนะมันจะมีอยู่สองพสภาวะก็คือสภาวะรู้กับสภาวะอีกอันนึงมันจะเหมือนจะเป็นเป็นก้อนๆเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นตัวอะไรสักตัวเป็นตุกเหมือนว่าเป็นลักษณะของความรู้สึกนะฮะก็ก็ก็เหลือสองสองสภาวะนั้นน่ยนะก็คือณตอนนั้นก็ก็รู้แล้วว่าคือคือหลังจากรู้สึกตัวกลับมาแล้วก็รู้ว่า สังขารมันก็ไม่ได้ปรุงแต่งกับกับไอ้สภาวะที่ไปรู้ตรงนั้นนะแล้วก็สัญญาก็ไม่ทำงานนะฮะก็ไม่ไม่ไม่ไปหมายพอรู้สึกตัวกลับขึ้นมาก็ก็รู้ได้ว่าอ๋อไอ้สภาวะที่ ท, ที่ที่เห็นนะั่นะนะก็คือความเมื่อยความปวดตามตามร่างกายทั้งหมดเลยกระจายมาหมดนะฮะทีนี้พอพอมารู้ตรงนั้นปุ๊บก็มาคิด ตอนนู้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรอจิตมันก็คิดเอสเราเคยไปทํากรรมอะไรว่าทำไมเราเราต้องมาเมื่อยปวดแบบนี้นะฮะก็มานึกนึกก็นึกถึงด้วย่าสมัยเด็กๆเนี่ยชอบชอบเล่นอันหนึ่งก็คือไปตักปลามาฮนะปลาพวกปลาหางยุงตัวเล็กเนี่ยอแล้วก็น้ําแข็งใส่ลงไปเขาเขาก็จะไหว้ทั้งเดี๋ยวเนี่ยแล้วเขาเขาจะตัวหงิกไงเสร็จแล้วเราก็ไปปล่อยอแล้วก็ตักมาใหม่ไม่ไปตักอีก ไม่เป็นไรก็รับรับกรรมไปก็แล้วกันนะฮะนะเสร็จแล้วพอนึกถึงตรงนี้เนี่ยฮะ <c oughs> ผมผมว่าอ่ะกันก็เลยออุทิศบุญกุศลให้เขานะมันมันมันอัศจรรย์อั น, นก็คือพออุทิศบุญกุศลเสร็จเนี่ยนะไออาการปวดต่างๆในา น, านานี่หายหมดเลยนะรวมทั้งไอไอที่เคยที่ไม่สบายมานี่มันก็หายไปเลยเหมือมนว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นไอ ต, ตรงนี้มันก็เท่ากับเราเราเร า, เราได้ใช้กรรมเข้าไปแล้ว คือตรงที่กรรมมันจะหมดเนี่ยคือตรงที่เรารู้ทันแล้วแหละตัวนั้นอนะ่ะจะอุทิศเมื่ออุทิศนะตรงนั้นก็หมดแล้วละ่ะส่วนที่อุทิศให้ก็ดีสบายใจ <c oughs> เวลาที่ภาวะอะไรเกิดขึ้นนะเรายังไม่รู้เหตุรู้ผลนะแต่ตรงที่มันรู้เหตุรู้ผลที่มาตอนนี้มันตัดละมันจะหมดละไม่งั้นก่อนหน้านั้นนะพี่นามอะไรก็พี่นามไม่ออกนะแต่ตรงที่มันปิ้งใช่ไหมออันนี้พราอันนี้นะ ใจมันหยอบนะตัวนั้นขาดเลยนะคือกรรมมันหมดแล้วตรงนั้นมันถึงเข้าใจขึ้นมานวนแม่ชีขอย่อๆหน่อยนะพวกเราสองคนส่งกันบ้านเกือบสิบห้านาทีนะี่ย่าวไปกราบระมาสการคาะหลวงพ่ อ, อ, อคือคำถามเดิมๆค่ะว่าตัวเองกำลังปฏิบัติอยู่ตามร่องตำรอยไหมคะคือว่าปฏิ ตอนนี้ปฏิบัติตามร่องตามรอยไหมคะมคือแต่ก่อนนี้เคยมีโทสะเกิดแล้วก็เห็นโทสะแล้วต่อมาจะเห็นตัวสังขารปูงแต่งว่าทําให้เกิดโพสโทสะอตอนนี้สั้นลงมาหน่อยก็คือจะเห็นสัญญาบ่อยขึ้นคะ่ะแล้วก็ตัวปูงแต่งก็จะน้อยลง อ, อะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยคิดว่าตัวเองอ ก็<ป>สติสติเราเร็วขึ้นสินะเนาะเราเห็นกระบวนการทางานตั้งแต่ต้นทางไม่ต้องร อ, รอถึงปลายทางก็รู้สึกความความทุกข์มันมันสั้นลงค่ ะ, คะแต่มันเสื่อมได้นะ <c oughs> สักวันหนึ่งถ้ามันเสื่อมก็อย่าเสียใจ <c oughs> พาวนาของเราปกติเดีย๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกสติปัญญาจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นแหละแต่ก็คงใช้ความเพียรอีกพอสมควรค่ะใช่ทำไปเรื่อยนะดีแล้วล่ะ แม่ชีก็เห็นแล้วมั้งธาตุขันเป็นแยกได้เห็นไหมก็พอเห็นบ้างคะ่ะแต่แต่เออแต่ก็ไม่มากคะ่ะเออหัดดูไปเรื่อยนะไมงั้นถ้าขาดสติขาดสมาธิปัญญามันรวมเป็นก้อนเดียวกันมีสติสมาธิปัญญานะขันก็แยกกันไปต่างคนต่างทํางานเราเห็นมันทําต่อกันเป็นลูกโซ่เลยน ะ, ะมีผัสสะใช่ไหมมีสัญญาใช่ไหม มีสัญญาผุดขึ้นมามีเวทนาทำงานมีสัญญาทำงานแล้วสังขารทำงานอพอมีผัสสะก็เวทนาเกิดสัญญาตีความนะสังขารปรุงจิตเท่เสวยอารมณ์อเงี้ยแล้วมีอีกอย่างคะ่ะเวลามเีเวทนาปวดเมื่อยมีเจ็บตับเนื้อตามตัวอะไรอย่างงี้ค่ะก็คอยคอยเตือนบอกว่าเอ้ยถอยออก่าดูถอยออกไป ด, อออดูแต่ก็ยื่นสิท จะโล่งขึ้นแต่ก็ยังคงแบบเป็นการตั้งไม่เป็นไรเบื้อต้นตั้งใจอย่างนั้นจ่อนได้ดีแล้วล่ะฝึกไปเรื่อยนะให้ใจเป็นคนรู้คนดูดีแล้วล่ะกล่าวนมัสการค่ะมีอยู่วันหนึ่งค่ะเดินจงกรมแล้วปกติจะดูความคิดที่มันไหลไปค่ะดูทันมันบ้างเผลอไปตามมันบ้างแต่ว่า มีอยู่ครั้งมันเดินขึ้นมามันมีพลังออกมาจากท้องอะคะ่ะอืมันดันขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าใจมันเบาตัวมันเบามันแบบเดินอะไรก็นุ่มนวลหมดเลยแต่ว่าตอนนั้นดูจิตมันสงสยะะัยค่ะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอืก็รู้ว่าสงสัยก็ดีแล้วล่ะค่ะกลัวว่าที่เราแบบ คีดว่าเราจเจริญสติอยู่แล้วมันจะเป็นสมถะไปอะคะ่ะไม่เป็นไรเวลาที่จเจริญปัญญาเนี่ยจิตจะพลิกไปทําสมถะเป็นช่วงๆเป็นปกติค่ะอั น, นอันนี้คือเป็นสมถะใช่ไหมคะอ๋อค่ะไม่เป็นไรเห็น <c oughs> ไ, ไหมพอมีสมถะจิตเบาจิตนุ่มนวนลร่างกายเบากายนุ่มนวลขึ้นมาแล้วนะะจิตสงสัยหไหมเรามีสติรู้ต่อเนี่เดินปัญญาต่อค่ะ แล้วก็เว เ, ววเวลาบางทีกายนุ่มนวล น, นะเห็นกายมันเดินนะใจเป็นคนดูไม่ใช่ตัวเราเดินดูอย่างนั้นก็เดินปัญญาเดางนั้นนั่นแหละเดินปัญญาอยู่แล้วน ะ, ะแล้วก็ปกติจะถนัดเดินจงกรมค่ะแล้วก็พอจะทําความสงบเดินนั่งสมาธิเนี่ยมันมันเหมือนกับมีแรงต้านอยู่ว่าไม่อยากทําแล้วก็เป็นเดินจงกรมก็ได้นะค่ะ ไม่ไม่ต้องฝืนไปอย่าไม่ต้องฝืนแล้วถ้าทำสมาธิในอีดียาบทเดินได้ยิ่งดีใหญ่เลย ค, ค่ะขอบคุณค่ะจิตมันจะพลิกไปพลิกมานะระหว่างสมากับวิปัสสนาพลิกตลอดเลยตอนที่ฟังเรื่องราวแล้วมันก็จิตมันก็กเพิ่มขึ้นกำลังพุ่งเลยค่ะแล้วก็ปกติก็ต้องปรึกษาใช่ไหมคะ ปรึกษากับกับเพื่อนทีนี้ว่าครั้งนั้นไม่ได้ปรึกษาแล้วก็เพื่อนเขาก็นั่งสมาธิอยู่ก็แบบดูดูมันก็พุ่งพุ่งพุ่งก็รู้แล้วว่าทาอะไรไม่ได้ก็เลยกับเขาที่นั่งสมาธิแล้วมันก็สักพักหนึ่งอะค่ะมันก็มันก็เรื่องที่เราเกิดขึ้นมาค่ะมันก็นิ่งไปเลยค่ะอะไรนิ่ง เรื่องเรื่องที่เราคิดว่าเราจะแก้ไขหรือเราคิดนะคะ่ะว่าเราเอ๊ะเราจะทํำยังไงอะไรเงี้ยมันก็นิ่งไปเลยก็อ่ อ, อนโยนไปเลยค่ะอแล้วแก้ปัญหาได้ไหมไม่ได้แก้ค่ะอา้าวทำไมล่ะก็อยู่เฉยๆนั่งสมาธิแล้วก็นิ่งไปเลยค่ะถ้า เ, <อ>เป็นปัญหาโลกๆนะอย่างแม่ชีอื่นจะทะเลาะกับเราอะไรเงี้ยนะไปนิ่งอย่างนั้น ไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้นาะออถ้าจิตใจสงบแล้วก็ถ้าเป็นมีปัญหาจริงๆก็ไปแก้ปัญหาด้วยจิตใจที่สงบแต่ถ้าจิตมันปรุงขึ้นมาเรารู้ทันแล้วมันสงบไปก็ดีแล้วละ่ะค่ะเป็นอย่างนั้นค่ะดีแต่ต้องอที่หลวงพ่อบอกว่าดูละครแต่ก็เข้าไปดู เป็นอินกับมันเยอะเหมือนกันเออนะแม่ชีเคยรู้ไว้แต่แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นกลางมากขึ้นอีกนิดนึงค่ะดีขึ้นเยอะนะดีดีแล้วล่ะทำถูกแล้วแล้วมีเพิ่มเติมไหมคะไปทำต่อสินะทำถูกแล้วโลกมันห่างออกไปแล้วขันมันแยกออกไปแล้วดูมันทำงานไปกรรมยมศากาหลวงพ่อค่ะ ไม่ได้ส่งกันบ้านมา6เดือนนะคะแต่ก่อนหลวงพ่อบอกว่าติดเพ่งกับไม่เป็นกลางนะคะวันนี้มีการบ้านมาส่งก็คือว่าเมื่อสองวันก่อนนะคะกินถั่วอยู่อะคะ่ะแล้วก็กิ <c oughs> นถั่วขณะที่กินถั่วอยู่ประมาณประมาณเม็ดที่สิบอะคะ่ะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าอยู่ๆจิตมันเด้งขึ้นมาแล้วเหมือนกับมันเห็นว่าการที่เรากินเม็ดที่สิบถัดจากเม็ดที่เนี่เพราะว่ามันมีบางอย่างผักมือเหมือนดึงดึงมือเราขึ้นมาให้หยิบเม็ดที่สิบเพราะว่า มันอยากที่จะกินไอ้ผง<ม>ผงเค็มๆที่อยู่รอบถั่วอืมแล้วถัดจากที่พอผงมันมันหายไปเนี่ยเราจิตเราไม่ชอบไอ้เม็ดถั่วที่กัดลงไปแล้วมันจืดอื<ม>เราก็เราก็เลยรีบที่จะหยิบเม็ดที่สิบต่อเพื่อที่จะเ อ, อกินผงอันนั้นอีกแล้วก็ไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบอีกไงคะ่ะแล้วเหมือนกับจิตมันสอนว่ามันเหมือนกับชีวิตของเราที่แบบว่าคอยทําตามตันหาที่ที่มันเคลือบอยู่ กับก้อนทุกอะค่ะถูกดีค่ะแต่ว่าช่างสังเกตแล้วทีนี้มันก็เลยไม่ไม่กินเลยค่ะก็เลยปิดปิดกระป๋องไปแต่ว่าเห็นกิเลสขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือคือกูกูที่เก่งแล้วก็ไปดูมันเนี้ค่ะดีดีพอนาอย่างนี้ดีนะแต่ว่าปัญหาหนูคือหนูนั่งสมาธิที่ไรแล้วหลับทุกที่เลยอะค่ะก็สวดมนต์เอาก็ได้นะหรือหัดพุทโธหัดอะไรเงี้ยไปก็ได้ <น>ไม่ทราว่าเป็นเพราะว่ามันคิดมากปัญญาล้ำหรือว่าอะไรประคะหลวงพ่อไปทําตอนไหนอะนั่งสมาธิก่อนนอนน ะ, ะโอมันใกล้หลับแล้วมันเหนื่อยเต็มทีแล้วนะออืเอาอย่างหลวงพ่อสิตื่นขึ้นมาก็ทําซะก่อนตื่นให้ไหวๆนิดนึงค่ะนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้พอนากันเก่งๆ เ, งเงยอะนะทัดขันแยกนี่เป็นเรื่องปกติแล้วตอนนี้ อีกสามปีห้าปีอะไรนะผมพูดแต่เรื่องมรรคผลแล้วนะใครไม่พูดเรื่องมรรคผลหรือเฉยนะกลับนมัสการเมื่อหปีก่อนเรพูดแต่เรื่องรู้สึกตัวมาช่วงนี้พูดแต่เรื่องธาตุขันมันแยกดูธาตุดูขันอีกห้าปีข้างหน้านก็ต้องพูดเรื่องมรรคผลแล้วอ่ะกลับนมัสการค่ะหนูไม่ได้ส่งกันบ้านมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะ คือมีความรู้สึกว่ามันมันทำไม่ได้ติดต่อนะคะแล้วก็ช่วงเมื่อเช้านะคะคือหยิบกระดาษขึ้นมานะคะข้างในมันจะมีความรู้สึกว่ามันหดมันถอนตัวออกมาเลยนะคะแต่แต่มันก็ไม่ได้สอนว่ามันเป็นอะไรนะคะคือมันมันขาดกับการชั่วขณะนะคะอะไรขาดกับอะไรคือมันเห็นมันจีบกระดาษขึ้นมานะคะความรู้สึกข้างในเนี่ย ข้างในนะคะมันถอยออกมาอโดยที่โดยที่ไม่ได้สอนว่าอะไรไงะคะ ม, มันแยกช่วขณะหนึ่งทำไมล่ะคือแล้วัล <c oughs> ลวกลับไปรวมกันอีกไหมกลับค่ะเออก็รู้ไปแยกออกมาก็รู้รวมพอไปก็รู้นะค่ะแล้วบางขณะนะคะถ้ามีสติหนูจะเห็นความรู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะแปรปวนไปมันไม่เที่ยงนะคะแล้ว ตัวตัวที่เห็นเนะ่ยมันมันก็เป็นธรรมชาติได้ชั่วขณะหนึ่งจะถูกนะแต่หนูไปอยู่ไกลหนูหนูก็จะหลงโลกไปเรื่อยอย่างเงี้ยหนูหนูคือมันนี่ไปหลงสิโลกไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วแล้วขณะนี้ต้องต้องต้องแก้ไข ย, ยังไงบ้างครับเพราะว่ามีคนรู้สึกว่าห่างไกลครูบาอาจารย์แล้วคือภาวนาให้สมู่รเสมอนะแล้วเราจะไม่รู้สึกไกลครูบาอาจารย์แล้ว แต่ถ้าเราไปอยู่กับโลกเราจะไกลเพราะครูบาอาจารย์ไม่ได้ไปตามไปอยู่กับโลกด้วยค่ะดูบ่อยๆดูไปเรื่อ ย, อ ย, ยนะเห็นกายเห็นใจเขาทำงานไปตอนนี้จิตถึงฐานไหมไม่ถึงค่ะเออที่ท่านคะเราขณะที่เคยทำได้แล้วกับต่อมาทำไม่ได้ก็ให้รู้ก็คแค่รู้นะแล้วอยากทำให้ได้รู้ว่าอยากเสียใจที่ทำไม่ได้รู้ว่าเสียใจ การปฏิบัตินั้นเจริญได้ก็เสื่อมได้อยู่สาคัญไม่ใช่เจริญเสื่อมนะอยู่สาคัญอยู่ที่ได้ปฏิบัติให้ปฏิบัติทุกวันนั่นแหละเจริญก็รู้เอาเสื่อมก็รู้เอาถ้าปฏิบัติแล้วมีแต่เจริญลูกเดียวไม่เห็นไตรลักษณ์ง่ายๆหรอกค่ะคือคือหนูบางครั้งหนูจะเห็นว่าอะไรมากระทบเนี่ยมันมั น, ม, นมันจะเข้าไปพิจารณาได้สักพักหนึ่งแล้วทีนี้มันก็ถอนเข้ามาโดยเป็นธรรมชาติของมันโดยที่มันไม่ต้องสอนเนี่ยใช่ใช่ อย่างนั้นแหละมันเป็นจริงๆอ๋อค่ะไปทำไปภาวนามันได้ดีแล้วขออินนิดหนึ่งรเราบาะว่าอยู่ไกลคือคือว่าบางทีหนูหนูจะหลงมากแล้วควรทำสมาธิยังไงบ้างคะคือแบบหลงแบบรู้มันไหลไปกับโลกเลยอย่างนี้ค่ะโอ้ต้องมีวินัยในตัวเองแบ่งเวลาไว้เลยถึงเวลานี้ฉันจะภาวนาแล้ ว, ลวทุกวันต้องภาวนาต้องทาในรูปแบบจะทาให้เราไม่เลิดไปกับโลก ไม่งั้นเราจะผลัดไปเรื่อยเดี๋ยวเดียวค่อยทําทไปเล่นก่อนเงนะี้ยแล้วแล้วแต่แตหนูทําสมาธิไม่ค่อยเป็นนะคะอยากขอคำไม่เป็นไรทําสมาธิไม่ได้ก็อย่าไปสนใจมันแต่ถึงเวลาก็ปฏิบัติไหว้พระส่วนมนต์ไปนะหายใจไปพุโทโธไปอะไรเงี้ยแล้วคอยรู้ทันจิตของเราไปเรื่อยจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตนี้ไปคิดก็รู้นะฝึกไปเรื่อยขออีกนี้เดียวที่ที่ที่ที่ท่านบอกว่าคือคือหนูหนูบางครั้งหนูจะเห็นนะคะว่า ตัวรู้เนี่ยไปรู้สิ่งที่ถูกรู้มันมันมันก็แปรปวนไปเลยแล้วแล้วตัวเห็นมันก็ชัดอแต่แต่ทุกอย่างมันมันก็ไม่เที่ยงหมดเลยใช่ค่ะขอบคุณค่ะแต่เราต้องมีวินัยค่ะขอบคุณครัถ้าเราไม่วินัยไม่มีวินัยเราจะหลงโลกไปค่ะแล้วนานๆมันเสื่อมไม่เห็นอีกนะค่ะมันเสื่อมได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอ่าวไปหลังๆกระทั่งเวลาทําในรูปแบบก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวค่ะหือ หลังๆกะทั่งเวลาทำในรูปแบบก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วทำไมล่ะมันรู้สึกได้ไม่ไม่บ่อยเท่าเมื่อก่อนค่ะต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตนะถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่ที่เหมาะเนี่ยบางทีหายไปนาน<ะ>อย่างเราภาวนาเราจะมารู้สึกตัวแล้วดูไปเลยอะไรเนี่ยไม่มีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เลยเนียนานๆก็หมดแรง<ะ>เฉยเฉยเนยเนยเหมือนจะรู้จริงๆไม่รู้ห่อ แม้าต้องมีเครื่องอยู่มีบ้านให้จิตอยู่นะจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อะไรเงี้ยนะพุโทโธแล้วจิตนี้ไปแล้วรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปนะถ้าเราทิ้งรูปแบบของการปฏิบัติทิ้งเครื่องอยู่ของจิตไปเลยมันจะหลงยาวนะบางทีมันคิดนําไปเลยดูดูชำเรื่องไปนิดนึงนะเดี๋ยวก็รู้ล่วงหน้าเดี๋ยวมันก็หายไปนะเลยไม่ต้องไปดูมันอันอื่นแทนนะงั้นหาบ้านให้จิตอยู่นะนะจิตไม่มีบ้านอยู่ อ, นะอ่าหมดแล้ววันนี้เชิญกลับบ้าน